เป็นเมียน้อยถือว่าเลวขนาดไหนอยากเลิกเป็นเมียน้อยทำอย่างไรบทความโดยดังตรินจัดทำโดยจันทิมาทองสีทองในทางธรรมะเมียน้อยถือว่าเป็นบุคคลเลวร้ายขนาดไหนจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไร กรณีกินน้ําใต้ศอกเนี่ยทุกประเทศถกเถียงในประเด็นใครถูกใครผิดใครน่าเห็นใจหรือน่ารังเกียจใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งก็จะไม่ได้ข้อยุติปราบเท่าที่ฝ่ายชายยังยุติความพอใจในการหลากรถไม่ได้และฝ่ายหญิงยังห้ามใจจากเงินง่ายและชายเจนสังเวียนไม่ไหวเพราะผลประโยชน์จะสรนหาเหตุผลที่ฟังขึ้นและน่ายอมรับได้หลายข้อเสมอ ในแง่มุมของกรรมวิบากแล้วเหตุผลน่าเห็นใจไม่มีมีแต่จิตสํานึกและเจตนาในการเป็นเมียน้อยฉะนั้นคําว่าเมียน้อยไม่ได้แปลว่าเลวร้ายหรือผิดทันทีแต่ต้องดูว่าเงื่อนไขของเมียน้อยคืออะไรข้อที่หนึ่งได้รับการยินยอมร้อมใจจากเมียหลวงหรือรู้ทั้งรู้ว่าเมียหลวงจะต้องเจ็บปวดสาหัส หากเมียหลวงโอเคอย่างเต็มใจก็ไม่มีใครผิดศีลไม่มีใครก่อบาปเพราะเป็นการกระทําอย่างเปิดเผยโดยไม่มีใครเป็นทุกข์จากการรับรู้ความจริงเหตุผลโดยมากที่มีหลวงยอมเบือ่อคือเบื่อเซ็กบางคนเนี่ยขนาดเป็นแม่สื่อหาเมียน้อยให้สามีทีเดียวแต่หากยังไม่มีการตกลงจากเมียหลวงว่าโอเคและแอบปล่อยตัวปล่อยใจเป็นเมียน้อยลับๆโดยรู้ ร, รู้อยู่ว่า เมื่อมียหลวงรู้เข้าจะต้องปวดร้าวอย่างนั้นก็เข้าขายเป็นชูผิดศีลธรรมเป็นการก่อบาปเต็มประตูข้อที่สองหลวมตัวตกเป็นเมียน้อยด้วยความไม่รู้หรือว่ารู้อยู่ล่วงหน้าปัจจุบันสังคมโลกทำงานปะปนกันไม่ใช่ให้ผู้หญิงอยู่ก้อนครัวที่บ้านเหมือนสมัยโบราณ แล้วชายหญิงก็ปิดบังกันเรื่องคู่ครองง่ายเสียด้วยก็ถ้าไม่บอกเสยอย่างใครจะไปรู้หากฝ่ายหญิงถูกหลอกต้มอย่างสนิทก็ถือว่าไม่บาปเพราะในกรณีนี้บาปจะเกิดต่อเมื่อรู้ทั้งรู้แล้วขืนทาพวกที่รู้ว่าเขามีเมียแล้วยังฝืนเอาตัวเข้าไปบวกเนี่ยส่วนใหญ่เพราะฝ่ายชายมีดีเกินห้ามใจแล้วส่วนใหญ่ที่ยังสวยยังอ่อนเยาวก็มักสาคัญตนผิด คิดว่าในที่สุดต้องชนะเดี๋ยวฝ่ายชายต้องใจอ่อนยอมอย่าขาดจากเมียหลวงซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เจอข้อหาแย่งสมบัติหน้าหวงแหนจากมือผู้อื่นมาครองผลย่อมหนักหนาอาจจะยิ่งเสียกว่าโจรชิงทรัพย์อันเป็นที่รักจากเจ้าของยามเผลอหลายคนมักมองว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลวเห็นกั่ตัวแต่ก็มีบางกรณีครับ ที่ทนเทคนิคการยั่วจากฝ่ายหญิงไม่ไหวธรรมชาติให้อาวุธลับล่อใจมาหลายชิ้นเปิดของลับวับวับแบมแบหน่อยชายส่วนใหญ่ก็ตะลึงงงลืมศิลธรรมกันแล้วซึ่งพออะไรอะไรเลยเถิดแล้วเรื่องแดงขึ้นมาฝ่ายหญิงบีบน้ําตาหน่อยสังคมจะรุมประนามฝ่ายชายทันทีอย่างไรก็ตามธรรมชาติจะไม่ถูกหลอกให้สงสารใคร เพียงเพราะเห็นน้ำตาในที่ที่กรรมเพลดผลนั้นสิ่งเดียวที่มีให้คือการลงโทษอย่างหนักหน่วงดุดันปราศจากความปราณีปราสัยและไม่ต้องสอบสวนหาความจริงจากปากใครแต่อย่างใดทั้งสิน้นข้อที่สทํทำเพื่อเงินหรือทำเพื่อความรักถ้าแพ้เงินก็บาปมาก แต่ถ้าแพ้รักก็บาปน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่บาปเลยอย่างรายการเป็นชู้ก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งบาดจิตให้ทุกฝ่ายเกิดแผลวันยังคำ่ำข้ออ้างที่ฟังขึ้นและดูเหมือนน่าเห็นใจที่สุดคือเรารักกันมากแต่ที่ซุกไว้ใต้พรมคือถึงรู้ว่าคนเป็นหลวงจะต้องเจ็บเจียนขาดใจก็ช่างสมัยที่ผู้หญิงทางานหาเงินเองได้อย่างยุคเราเนี่ย มีด้วยซ้ำครับที่เมียน้อยรวยกว่าและเอื้อเฟื้อให้การจุนเจือครอบครัวหลักของฝ่ายชายแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าได้รับข้อยกเว้นจากสังคมอย่างไรใครรู้เข้าก็ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยอยู่ดีตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังมีพันธะทางกฎหมายหรือทางกายอยู่กับเมียหลวงข้อที่สี่ ทำเพื่อตัณหาส่วนตัวหรือทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนหากยอมเป็นเมียน้อยด้วยความกลั้นไม่อยู่ของตัวเองแปลว่ายอมทำผิดเพราะแพ้ความรู้สึกฝ่ายต่าแต่หากจำใจเป็นเมียน้อยด้วยความจําเป็นทั้งครอบครัวบีบคั้นอาจหมายถึงการยอมเป็นนางบาปเพื่อช่วยให้พ่อแม่รอดพ้นจากความอดตายบางคนไม่ยอมนิยามว่าตัวเองเป็นเมียน้อยด้วยซ้า คือกำหนดใจไว้แต่แรกว่าขอตากหน้าเอากายแลกเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีพระคุณสักครู่หนึ่งเมื่อได้เงินทองเท่าที่จำเป็นก็จะทำตัวสาบสูญไปจากฝ่ายชายชั่วนิรันหากคิดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นได้จริงๆโทษก็จะเบาลงตามส่วนข้อที่หาทำแล้วสำนึก หรือไม่สำนึกผิดหากสำนึกผิดจิตจะไม่จับบาปไว้เต็มกรรมแต่ยิ่งด้านชาวละสำนึกเท่าไรจิตก็จะเข้าฝ่ายอากุศลมืดมนจนไม่ค่อยเห็นทางสว่างทางดีและเหมือนถูกบีบให้คิดก่อการร้ายเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอันที่จริงผู้หญิงเป็นเพศที่รู้สึกสกกรกกับเรื่องทางเพศง่ายกว่าผู้ชาย เพียงแค่ธรรมชาติส่งเลือดมาเป็นประจำทุกเดือนก็ทำให้รู้สึกย่ำแย่กับสภาพฟ้องมวลทินของตอนเองพอแรงแล้วยิ่งถ้าเพิ่มมวลทินทางใจเข้าไปอีกตามธรรมดาก็ย่อมเหมือนถูกบีบสองด้านจากซ้ายขวาหรือถูกอุดทั้งปากุดทั้งจมูกเกลียดตัวเองจนจะกลายเป็นโรคจิตเอาง่ายๆแต่ก็มีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบค่อยๆหลุดเป็นอิสระจากมโนธรร ม, มทีละน้อย กระทั่งอิสระเต็มที่มโนธรรมถูกปลดปล่อยเหมือนว่าที่ขาดลอยกูไม่กลับความรู้สึกข้างในคล้ายมีชีวิตเพื่ออาศัยเรือนกายหลอกพวกหน้าโง่มาติดกับท่าเดียวประเภทนี้ขติข้างหน้ามักเกิดเป็นอะไรที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะมาตรฐานมโนธรรมไม่ถึงมนุษย์ข้อที่ห เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเมียน้อยแล้วตั้งใจจะหยุดหรือคิดเป็นน้อยต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะโดนเขาหลอกหรือหลอกตัวเองผมเชื่อว่าถ้าสำรวจดีๆมีเมียน้อยกว่าครึ่งที่อยากเลิกให้ได้วันนี้พรุ่งนี้แต่เลิกไม่ได้ก็เพราะทำใจไม่ได้เท่านั้นแต่แม้ประสบกับความล้มเหลวในการตัดเยื่อตัดใ่อย่างน้อยตั้งใจจริงก็ถือว่าดีแล้วครับ จัดเป็นกรรมขาวบนฐานของกรรมดำแล้วมีผลลดหย่อนผ่อนโทษได้แล้วส่วนพวกที่ขอเป็นเมียน้อยไปจนตายนั้นพบของเมียน้อยจะตั้งมั่นวิบากร้ายมีเท่าใดก็จะให้ผลหนักแน่นยืดยาวการเป็นอะไรอย่างหนึ่งไปทั้งชาตินั้นมีผลใหญ่หลวงเกินกว่าที่คิดมาก เหตุผลต่างๆของการตัดสินใจเป็นเมียน้อยข้างต้นจะเป็นตัวกำหนดความหนักเบาของวิบากในปัจจุบันวิบากข้อที่หนึ่งความทรมานใจเหมือนการกินบรเพชรที่ต้องขมและไม่กี่คนที่ชอบใจแต่เพื่อแลกรางวัลบางอย่างก็ต้องจำทนแต่ยิ่งทนนานก็ยิ่งทรมานใจมาก ฉนั้นจะทรมานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าจะหลุดพ้นจากการเป็นเมียน้อยได้เช้าเร็วเพียงใดวิบากข้อที่สองความรู้สึกเป็นรองถึงแม้ฝ่ายชายจะไหว้ประหลกประหลกก่อนออกจากบ้านหรือต่อให้เมียหลวงยิ้มย่องผ่องใสก้มลงกราบตักเมื่อเจอเงินปึกใหญ่ฟาดเข้าที่บริเวณศีรษะ ความรู้สึกเป็นรองก็จะไม่หมดไปจากใจเมียน้อยตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังประกาศกับใครต่อใครว่าเมียหลวงเป็นพัญญาตามกฎหมายยิ่งถ้าโดนเมียหลวงไล่บีเอาด้วยตะบะของผู้มาก่อนความรู้สึกเป็นรองยิ่งจำชัดหายห่วงหรือแม้สมัยนี้มีเมียน้อยสายพันธุ์ใหม่เป็นฝ่ายบุกรรารนรังควานเมียหลวงเสียเองอย่างไรความรู้สึกในส่วนลึกก็ฟ้องอยู่ว่า ตัวเองมาทีหลังตัวเองไม่มีทะเบียนตามกฎหมายตัวเองไม่มีหน้ามีตาให้สังคมยอมรับว่าเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นแหละปัญหาทางใจของเมีน้อยผมเคยได้ยินว่าผู้ชายบางคนสเสน่ห์แรงจัดผู้หญิงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามีสาวมาติดเยอะแต่ละคนไม่หวังครอบครองเขาไว้คนเดียวแค่หมายจะได้เป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นพอความคิดทำนองนี้นับว่าตลก เพราะชายเจ้าชู้ไม่มีทางวางใครเป็นเบอร์หนึ่งถาวรเขาจะมีแต่เบอร์หนึ่งชั่วคราวส่วนจะสั้นหรือยาวก็ว่ากันตามเหตุปัจจัยถ้าเขามีเมียน้อยได้คนหนึ่งทำไมเขาจะมีเมียน้อยคนต่อไปไม่ได้และเบอร์หนึ่งมันจะอยู่ที่ไหนในที่สุดเขาก็ใจดากับทุกคนอย่างเสมอภาคนั่นเอง วิบากข้อที่สความน้อยใจง่ายคนเราถ้าขาดสิ่งใดพอขอสิ่งนั้นแล้วไม่ได้หรือรอแล้วไม่มาธรรมดาก็ต้องน้อยใจสิ่งที่เมียน้อยขอนั้นมีทั้งเงินทั้งเวลาเพียงไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แย่แล้วยิ่งถ้าได้เพียงกับปริบกับรอยทั้งสองอย่างก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ตามกฎแห่งกรรมวิบากนั้นการเป็นคนขี้ขอจะทำให้ต้องขอต่อไปเมื่อขอบ่อยแล้วไม่่อยได้อย่างที่ขอก็มักก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นธรรมดาตราบได้ที่ยังสร้างกรรมอันเป็นไปเพื่อความอ่อนแอเพื่อความเป็นผู้ขอตราบนั้นจะไม่พ้นจากความเป็นหญิงที่มีภาวะพึ่งพาสูงไปได้เลยและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้น้อยใจง่ายคิดมาก และอารมณ์แปรปรวนแบบเด็กไม่ได้อย่างใจไปจนตายวิบากข้อที่สีความไม่มีศักดิ์ศรีผมเคยทราบมาว่ามีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีระดับนางงามนางแบบคนหนึ่งเป็นเมียน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีเงินหลายสิบล้านมีบ้านอยู่ฮาวาย มองภายนอกทุกอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไปหมดแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือความรู้สึกเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตอนเองคือพอไปถึงจุดที่เหมือนมีทุกอย่างคนเราจะเห็นจริงๆนะครับว่าที่ยังไม่มีคืออะไรการมีครบแบบไร้ศักดิ์ศรีนั้นนานไปจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างมีศักดิ์ศรียังดีเสียกว่าคาว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้นั้นขอให้ช่วยๆกันลืมเสียเถอะ เปลี่ยนใหม่เป็นว่าศักดิ์สรีนั้นกินไม่ได้แต่ทําให้กินข้าวได้อร่อยกว่าคนไร้ศักดิ์สินแทนนอกจากนั้นเหตุผลในการเป็นเมียน้อยต่างๆยังเป็นตัวกําหนดวิบากในอนาคตการซึ่งจะหนักเบากินเวลาสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดวิธีทำหากเป็นเมียน้อยไม่พ อ, อยังสะใจกับการทิมแทงให้เมียหลวง หรือผู้เป็นขวากหนามให้เจ็บปวดก็อาจต้องไปเสวยทุกข์ในนรกแต่หากทำบุญทางอื่นจนมีวาสนาพอจะได้เกิดมาในโลกมนุษย์นี้อีกผลของกรรมเก่าจะบีบให้เป็นฝ่ายตกที่นั่งทุกบ้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกทำดีขึ้นหรือเลวลงเหมือนเป็นคำถามลองใจจากธรรมชาติว่าถ้าคนคนหนึ่งทุกเท่าที่เคยทำคนอื่นไวจะเลือกแก้ไขสถานการณ์อย่างไร ระหว่างหาทางปีนป่ายขึ้นพ้นเหวหรือเหยียบตัวเองให้จมธรณีลงไปอีกการให้อภัยของเมียหลวงจัดเป็นการถอนตัวเองขึ้นจากลมวิบากอย่างหนึ่งสถานการณ์ทุกข์ของเมียน้อยในอนาคตชาติเป็นไปต่างๆได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งแนวโน้มที่จะเกิดเป็นสตรีทั้งนี้เพราะตามสามัญสำนึกของเกือบทุกคน สตรีเพศคือภาวะอ่อนแอต้องการการพึ่งพาสูงหรือแม้เป็นผู้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องเป็นเบี้ยล่างในทางใดทางหนึ่งยากประมาณหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านครับที่ผู้หญิงจะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำประเทศในขณะที่มองกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผู้นำประเทศและผู้นำองค์กรจะเป็นชายเมียน้อยที่คิดหวังแค่สบาย ได้เอาเงินค่าเลี้ยงดูมากินมานอนเที่ยวช็อปปิง้งไม่คิดเก็บเงินทำทุนตั้งตัวอันนี้เที่ยงที่สุดที่จะเกิดเป็นหญิงอีกข้อที่สองแนวโน้มที่จะถูกพิจารณาเป็นรองหรือตัวสำรองในทุกๆด้านทั้งนี้เพราะการยอมตัวเป็นเมียน้อยนั้นไม่ใช่จำเพาะแค่เรื่องทางเพศว่าต้องมาทีหลัง แต่ยังรวมตลอดครอบคลุมไปถึงสักสีครอบคลุมถึงหน้าตาและครอบคลุมไปถึงความรู้สึกทางใจอีกด้วยผลของความรู้สึกเป็นรองในชาติปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตตชาติก็จะมีเหตุการณ์มากดความรู้สึกให้ต้องเป็นรองซ้ำอีกเช่นแม้ตั้งใจทำงานและผลงานออกมาดีแต่กลับไม่ค่อยเข้าตากรรมการไม่ถูกเชิดชูให้เป็นผู้นา มักถูกยัดเยียดให้เป็นลูกน้องร่ำไปนอกจากนี้ยังมีทางเลือกน้อยโอกาสเกิดในฐานะนางบำเรอสูงแม้บุญมากหน่อยก็ได้แค่นางสนมของพระราชาเท่านั้นที่จะถึงระดับมเหสีคงยากข้อที่สามแนวโน้มที่จะต้องเศร้าหมองเพราะถูกยั่งของรักของห่วงอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่าย ถ้าหากสมัครใจเป็นเมียน้อยโดยไม่สนใจหัวอกเมียหลวงยิ่งร้ายความสะใจที่แย่งสำเร็จหรืออย่างน้อยได้พยายามแย่งจะบันดาลเหตุการณ์สนองคืนแบบตรงไปตรงมาคือไม่ใช่แค่เรื่องเสียชายอันเป็นที่รักให้คนอื่นแต่รักอะไรก็มักเสียสิ่งนั้นไปเพราะถูกแย่งเป็นประจำ หากรู้สึกอ่อนแอเกินกว่าจะหยุดเป็นน้อยพอมีวิธีอะไรให้ใจเข้มแข็งขึ้นได้บ้างไหมผู้หญิงมีสองเหตุผลหลักๆที่ยอมเป็นเมียน้อยต่อคือ 1. เสียดายเงินที่ได้มาง่ายและสองตัดใจจากผู้ชายไม่ได้ก่อนอื่นคุณต้องมองว่าทั้งสองข้อนั้นเป็นเรื่องของอากุศลจิตและกรรมที่ทำไปขณะมีอกุศลจิต ก็ย่อมมีวิบากเป็นทุกข์ตรงข้ามกับบุญที่มีวิบากเป็นสุขเสมอน้ำเน่าต้องลลยด้วยน้ำดีไม่มีน้ำเน่าที่ไหนล้างน้ำเน่าด้วยกันได้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่ดำมืดยอมไล่ได้ด้วยจิตที่สว่างสวยัยจิตที่สกปรกยอมไล่ด้วยจิตที่สะอาดถ้าคุณเสียดายเงินทำไมไม่ลองเป็นผู้ให้เงินดูบ้าง เริ่มให้จากส่วนเกินอย่าให้จากส่วนที่จำเป็นต้องใช้แต่และครั้งที่ให้ก็จงอธิฐานไปว่าด้วยความจริงที่เราเป็นฝ่ายเสียสละส่วนเกินเช่นนี้ขอให้ใจเรามีความสามารถสละสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายในชีวิตทิ้งด้วยเถิดถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่โดยการทามหาทานสละสิ่งที่ไม่ใช่ของตนคืนเจ้าของ คุณจะหมดความอาลาัยใยดีเรื่องผิดศีลธรรมอย่างรวดเร็วยิ่งหากอ้างว่าไม่มีเงินทาบุญลองหารเงิน100บาทออกเป็น20สบส่วนคือเอาเงินหบาทไปใช้ทาบุญ2ี่ครั้งในเวลา20วันติดๆดกันแล้วอธิษฐานซ้ำๆอย่างที่ผมว่าข้างต้นทุกหนคุณจะรู้สึกเหมือนสั่งสมกำลังใจใส่กระปุกวันที่ยสิบกลังใจอาจยังไม่เต็มกระปุก แต่คุณก็รู้สึกว่ากระปุกชักหนักชักมีความสามารถเอาไปตีหัวกิเลสให้แตกได้ถ้าสะสมต่ออีกนิดมีสิทธฟิฟาดกิเลสให้ตายสนิทเป็นแน่แท้ขอให้จำไว้ว่าการทำบุญไม่ใช่การเอาเงินมากๆไปแจกคนอื่นแต่เป็นการเอาส่วนเกินน้อยๆไปละลายความตรณีในตนเองส่วนในกรณีที่เงินไม่เกี่ยว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 ได้ไปต่อทุกในขุมนรกเนื่องจากกรรมจากการผิดประเวณนีนั้นย่อมทำให้จิตเศร้าหมองทั้งวันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราค่าผิดผิดโทสะผิดผิดหลงสาคัญอะไรต่ออะไรผิดผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะย่อมมีอบายเป็นคติที่หวังได้อบาย